ขลามธรรมะถามผมมีนิสัยชอบหรือ ผมเอาตอบเวลาเรามีสติสัมปชัญญะแล้วใช้สติคิด คนนึงเป็นคนรู้อะไรผุดขึ้นก็มีหน้า การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจใจเดิมเราเราเราเราเวลาปฏิบัติแล้วจะมี ต้องการดับความคิดดับเป็นส่วนของทุกข์คิดตัวความคิดหรือๆๆอย่า เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับสังขารขันธ์หรือเวทนาและสัญญาขันธ์ หรือ 9 มิถุนายน 2542